ใครทำบุญวันพระหรือวันไหนเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกอันนี้ขอปลาลบบอกให้โยมทราบเลยว่าคนที่เขาตายไปแล้วนี่นะอย่าลืมนะจิตเป็นผู้จดโยมจําไห้ได้ถ้ายมพระบานมานน่งมจดกันเนี่ยไม่พอไม่พอหรอกแน่นอนนะอันนี้พิสูจน์ได้จากคนที่มาเกิดขอแท้จริงโยมจําไม่ได้จิตเป็นผู้จดไม่จําเป็นต้องวันพระโยมวันอาทิตย์ก็ได้ วันศุกวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารได้เช่นนั้นแต่เราจะประกอบคุณงามความดีสุนัขขัดตังสุมาลพลังสุปะพาทางไปต้นถ้าจิตทําบาปนะจดไม่มีใครมาเป็นเจ้าหน้าที่จดหรอกเราจดเองนะเราโจดเองยอมแสดงออกเองพฤติกกรรมถ้าเราจะอิจฉาใครเนี่ยมันผ่านตัวเรานะใจไม่สบายเป็นบาปนะแล้วจดไว้ในจิตบันทึกไวในใจตายไปลงนรกเลย นี่มันจิตมันจด